จะมีองค์ธรรมอื่นๆจำนวนหนึ่งเป็นตัวประกอบร่วมอยู่ด้วยเป็นประจำเสมอไปชาญมีหลายขั้นคือแบ่งเป็นสี่ตามแนวพระสูตรแต่เดิมบ้างเป็นหตามแนวอภิธรรมบางแห่งบ้างยิ่งเป็นชาญชั้นสูงขึ้นไปก็ยิ่งประนีตขึ้นยิ่งประนีตขึ้นก็ยิ่งมีองค์ธรรมที่ประกอบร่วมประจำน้อยลงไปตามลาดับดังได้กล่าวแล้วข้างต้นหลายครั้งตามโอกาส องค์ธรรมประกอบร่วมประจำในฌานรวมทั้งตัวสมาธิหรือเอกคตาด้วยนั้นเรียกสั้นๆว่าองค์ฌานหรือตามบาลีว่าชานังคะมีทั้งหมด6กอย่างคือวิตกวิจารปีติสุขอุเบคาและเอกัตา คำพีอภิธรรมชั้นเดิมเรียกองค์ฌานทั้งหมดรวมกันเป็นตัวฌานและแสดงองค์ประกอบของฌานเต็มรูปเท่าที่นับได้ในคำบรร ญ, ญายฌานแต่ละขั้นของพระสูตรคือที่หนึ่งฌานเท่ากับวิตกวิจารปีติสุขในวงเล็บจิตตัสะและเอกัตาที่สอง ฌานเท่ากับสัมปัสสะธาในวงเล็บศรัทธาปีติสุขในวงเล็บจิตตัสสะและเอกัคคตาที่สามฌานเท่ากับอุเบกขาสติสัมปัชัญญะสุขในวงเล็บจิตตัสสะและเอกัคคตา ที่สชฌานเท่ากับอุเบกขาสติในวงเล็บจิตตสสะและเอกคคตาอันหนึ่งอุปจารสมาธิก็กำจัดนิวรห้าได้แล้วและมีองค์ร่วมรวมทั้งตัวเป็นห้าเหมือนกันแต่มีกำลังน้อยกว่าอปปนาสมาธิอย่างไรก็ตาม บางกรณีอุปจาราสมาธิมีอุเบกขาแทนที่ปีติและสุขก็ได้และในกรณีเช่นนั้นอุปจาราสมาธิจะมีองค์ร่วมรวมทั้งตัวเองด้วยเพียงสี่คือวิตกวิจารอุเบกขาเอกคตาองค์ฌานทั้งหกอย่างมีความหมายสังเขปดังนี้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 ความตรองหมายถึงการฟันเคลา้าหรือเอาจิตผูกพันอยู่กับอารมณ์วิจารณ์มีในปฐมฌานและมีในทุติยฌานแบบปัญจกาในยด้วยองฌานสองข้อนี้ต่อเนื่องกันคือวิตกเอาจิตจรดไว้กับอารมณ์วิจารณ์ เอาจิตเคล้าอารมณ์นั้นเปรียบได้กับคนเอาภาชนะสมริดที่สนิมจับไปขัดวิตกเหมือนมือที่จับภาชนะไว้วิจารเหมือนมือที่ถือแปรงขัดสีไปมาหรือเปรียบกับช่างปั้นหม้อวิตกเหมือนมือที่กดไว้วิจาร เหมือนมือที่แต่งไปทั่วๆข้อสำคัญอย่าเอาวิตกหรือวิตากะทางธรรมะนี้มาปะปนกับวิตกที่หมายถึงกังวลทุกข์ร้อนในภาษาไทย 3. <า>ปีติแปลว่าความอิ่มใจดื่มดำหรือเ อ, อิบอิ่ม หมายเอาเฉพาะปีติชนิดที่แผ่เอิบอาบราบสร้นไปนทั่วสัมพางกายที่เรียกว่าพรรณาปีติปีติมีในฌานที่หนึ่งและสองหรือในฌานที่หนึ่งสองและสามของปัญจกานในปีติมีทั้งหมดห้าอย่างคือหนึ่งกุตตกาปีติ ปีติเล็กน้อยพอขนชูชันน้ำตาไหล 2. ขคณิกาปีติปีติชั่วขณะทำให้รู้สึกปลับๆเป็นขณะขณะดุดฟ้าแลบ 3. อกกันติกาปีติปีติเป็นระลอกหรือปีติเป็นพักๆรู้สึกสู่ๆลงมาในกาย ดุดคลื่นซั์ฟัง 4. อุปเพงคาปีติปีติโลดลอยเป็นอย่างแรงให้รู้สึกใจฟูทำให้แสดงอาการหรือทำอะไรบางอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นเปล่งอุทานหรือรู้สึกตัวเบาลอยขึ้นไป 5. ้าพรณาปีติปีติซาบซ่าน ให้รู้สึกเย็นซาบซ่านแผ่เอิบอาบดื่มด่ำไปทั่วตัวองค์ฌานข้อที่สสุขแปลว่าความสุขหมายถึงความสำราญชื่นใจคล่องใจราศจากความบีบคั้นหรือรบกวนใดๆสุข มีในชานที่หนึ่งถึงที่สมหรือถึงชานที่สีในปัญจการในปีติกับสุขสำหรับบางคนอาจสับสนแยกยากจึงควรทราบลักษณะที่ต่างกันกล่าวคือปีติหมายถึงความยินดีในการได้อารมณ์ที่ต้องการส่วนสุขหมายถึงความยินดี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 แสดงองชาญว่ามีเจ็ดโดยเปลี่ยนสุขเป็นสมนัตและโทมนัตองค์ชาญข้อที่ห้าอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยหรือความมีใจเป็นกลางหรือแปลให้เต็มว่าความวางทีเฉยดูอยู่หมายถึง การดูอย่างสงบหรือดูตามเรื่องที่เกิดไม่ตกเป็นฝกักฝ่ายในกรณีของฌานคือไม่ติดค้างแม้แต่ในฌานที่มีความสุขอย่างยอดในความหมายที่สูงขึ้นไปอีกอุเบขาหมายถึงวางทีดูเฉยอยู่ในเมื่ออะไรทุกอย่างเข้าที่ดำเนินไปด้วยดีหรือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องขวนขวายเจ้ากี้เจ้าการ โดยเฉพาะในฌานที่สคือบริสุทธิ์หมดจดจากธรรมะที่เป็นข้าศึกเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องควนขวายที่จะกำจัดธรรมะที่เป็นข้าศึกนั่นอีกจึงเป็นองฌานโดยเฉพาะของฌานที่สหรือที่หของปัญจากาศในความจริงอุเบกขามีในฌานทุกขั้นแต่ในขั้นต้นๆไม่เด่นชัด ยังถูกธรรมะที่เป็นข้าศึกเช่นวิตกวิจารณ์และสุขเวทนาเป็นต้นข่มไว้เหมือนดวงจันทร์ในเวลากลางวันไม่กระจางไม่แจ่มเพราะถูกแสงอาทิตย์ข่มไว้รั้นถึงชานที่สี่ธรรมะที่เป็นข้าศึกระงับไปหมดและได้ราตรีคืออุเบกขาวเวทนาหรืออทุกขมะสุขหนุนก็บริสุทธ์ผุดผ่องแจ่มชัด และภายธรรมะอื่นๆที่ประกอบอยู่ด้วยเช่นสติลอยแจ่มชัดบริสุทธิ์ไปด้วยขอย้ำให้เพึงระวังความสับสนระหว่างอุเบกขาที่เป็นองค์ชาญซึ่งได้แก่ตรัตระมัชชตาตาคือภาวะเป็นกลางอันเป็นกุศลธรรมอยู่ในหมวดสังขารขันกับอุเบกขาที่เป็นเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉย ซึ่งเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าอทุกขมสุขเวทนาแปลว่าความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์และเป็นของไม่ดีไม่ชั่วในฌานที่สอุเบกขาที่เป็นองค์ฌานมีอุเบกขาเวทนาประกอบร่วมด้วยคือมาทั้งสองอย่าง องชาญข้อที่หกเอกคัตตาแปลว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวได้แก่ตัวสมาธินั่นเองมีในฌานทุกขั้นความที่จะต้องย้ำไว้อีกครั้งหนึ่งมีว่าคำว่าองค์ชาญหมายถึงองค์ธรรมที่ประกอบร่วมอยู่เป็นประจำ ในฌานขั้นนั้นๆและเป็นเครื่องกาหนดแยกฌานแต่ละขั้นออกจากกันให้รู้ว่าในกรณีนั้นเป็นฌานขั้นที่เท่าใดเท่านั้นมิใช่หมายความว่าในฌานมีองค์ธรรมทั้งหมดอยู่เพียงเท่านั้นความจริงในฌานองค์ธรรมอื่นๆที่ประกอบร่วมอยู่ด้วยซึ่งเรียกว่าสัมปยุตธรรมแต่เกิดขึ้นประจำบ้าง ไม่ประจำบ้างและไม่ใช่เป็นตัวกำหนดแบ่งขั้นของฌานยังมีอีกเป็นอันมากเช่นสัญญาเจตนาฉันทะวิริยะสติมนสิการเป็นต้นแม้ในคำบรรยายฌานแต่ละขั้นในพระสูตรก็ยังระบุร ธ, ธรรมะที่เน้นพิเศษไว้อีกเช่นในตาติยะฌานเน้นสติสัมปัชญญะ เป็นตัวทาหน้าที่ชัดเจนมากกว่าในฌานสองขั้นต้นซึ่งก็มีสติสัมปัชัญญะด้วยเช่นกันและในจตุตถาฌานย้าว่าสติบริสุทธ์แจ่มชัดกว่าในฌานก่อนๆทั้งหมดทั้งนี้เพราะอุเบกขาที่แจ่มชัดบริสุทธ์เป็นเครื่องหนุนไม่เฉพาะสติเท่านั้นที่ชัดแม้สัมปยุต ธ, ธรรมอื่น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 อังคัมพีเปตโกปเทศะว่าองฌานห้าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้อปปนาสมาธิและบรรลุฌานที่แรกนั้นเป็นปฏิปักษ์กันกับนิวรห้าที่ละได้แล้วด้วยโดยเป็นศัตรูกันเป็น ค, ค, คู่คู่คือวิตกเป็นปฏิปักษ์ของทินามิทาวิจาร์เป็นปฏิปักษ์ของวิจิกิจชาปีติ เป็นปฏิปักษ์ของพยาบาทสุขเป็นปฏิปักษ์ของอุทะจักกุกุจจะสมาธิหรือเอกคตาเป็นปฏิปักษ์ของกามฉันเมื่อธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นก็ย่อมกำจัดนิวรณ์ให้หมดไปและเมื่อธรรมะเหล่านี้อยู่นิวรณ์ก็เข้ามาไม่ได้แต่ในทางตรงข้าม ถ้านิวรณ์ครอบงำใจอยู่ธรรมะเหล่านี้ก็ทำหน้าที่ไม่ได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้พึงดูโพชงซึ่งเป็นหมวดธรรมะฝ่ายตรงข้ามกับนิวรโดยตรงตามในยถาพุทธพจน์ที่จะกล่าวถึงต่อไปด้วย